อย่าโยมมุติบริษัททัาหลายระยะตอนนี้ก็เป็นตอนแนะนำกรรมฐานสาหรับตอนการคืนที่แล้วมาได้แนะนำวิปาาัสนาญาณวันนี้ก็ขอพูดเรื่องวิปัสนาญาณต่อเพราะว่าวิปาาัส <c oughs> นบบาญาณจริงมีนก้าอย่างตามแบบฉบับขรงท่านจริงมีก้าอย่างแต่ความจริงก็มีอย่างเดียวได้แก่ขันห้า แต่ว่าถ้าเรียกการเจรนาไว้คําว่าวิปัญญาเราก็รู้แจ้งเห็นจริงเป็นบทที่ใช้ปัญญาโดยเฉพาะแต่คําว่าใช้ปัญญาโดยเฉพาะนี่บรรดาจนพุทธบริษัทจะใช้เฉพาะปัญญาจริงๆนี่ไม่ได้พื้นฐานเดินจริงๆต้องมีศีลมาก่อนเมื่อจิตมีศีลแล้วก็ต้องสงสมาธิ ถ้าสมาธิไม่มีศีลมีวิปัสสนาญาณจะไม่มีผลกำลังใจจะไม่สามารถตัดกิเลทเป็นสมาเชตวะหันได้ฉะนั้นคํารียวิปัสสนาญาณก็ต้องบวกศีลกับสมาธิด้วยอุทเทเดชว่าบวกศีลกับสมถะพระมิปัสนาสําหรัติวยปัสนาญาณจริงใช้อารมณ์ปัญญาอารมณ์ปัญญาที่จะทรงตัวได้ต้ออาศัยสมาธิเป็นพื้นฐาน ฉะนั้นในตอนต้นที่บรรดาท่านผู้บริษัทที่จะใช้อารมณ์จรณระริ่มมปัญนายานอันดับแรกท้าอยู่ที่บ้านควรสมาทานสิ่งก่อนเพื่อความมั่นคงของจิตเมื่อสมาทานสิ่งแล้วก็เริ่มทําสมาธิคือใช้อนาปานสติเป็นพื้นฐานคําว่าอนาปานสติคือรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ฉว่าให้ใจออกรู้อย่างนี้สักครู่หนึ่งตั้งสองสานาทีเพื่อจิตทรงตัวหลังนั้นกั็มาใช้ปัญญาพิจารณาวิปัสนาญาณความจริงการเจริีวิปัสนาญาณเขาทําเอาจริงๆแบบนี้นะถ้าเป็นคนที่ได้ชานโลกีแล้ว เขาจะทรงจิตให้เข้าวิชานโลกีก่อนเมื่อจิตทรงฌานมีความสุขดีแล้วก็ถอยหลังจิตสมาธิอุปจาระสมาธิคําอุปจาระสมาธิคือสมาธิไม่มากนะักใกล้ๆ ก, กับฌานมีอารมณ์คิดได้เมือม่อจิตตั้งอยู่ในะอารมณ์อุปจาระสมาธิอารมณ์ของฌานยังทรงตัว ตอนนี้จิตมีความสงัดมากมีปีติเป็นเครื่องคําจุนใช้ปัญญาได้ดีการใช้ปัญญาจะมีความเดีจะอมมากเมืการใช้ปัญญาในเร้่องวิปัสนาญาณว่าใช้กันตามนี้นะตามแบบแต่ความจริงแล้วก็ไม่ต้องถือตามแบบเสมอไปเพราะแบบเป็นพื้นฐานไว้ก่อนอะไรก็ตามถ้าไม่ผิดจากแบบก็ถือว่าใช้ได้ พิพิธนายานที่ผ่านมาแล้วสามข้อคือหนึ่งพิจาราเห็นความเกิดและความดับนั่นจะพิจาให้ใช้ปัญญาพาิจารณ์ ว, ว่าคนเราที่ยังมีกระล่างกายมันได้พราะสายความเกิดเป็นพึ่งตนเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วส่วนที่เกิดมาแล้วพอแล้วมันไปมันก็ค่อ ย, อยดับไปจากเด็กเล็กกลายเป็นเด็กเล็กดับมาถึงเกิดเป็นแด็ใหญ่ เด็กใหญ่ดับก็ก็มาคือความเป็นคนหนุนคนสาวความหนุนความสาวดับก็ถึงวัยกลางคนเมื่อวัยกลางคนดับก็ถึงวัยแก่วัยแก่ดับก็เป็นผีตายเราเรียกว่าดับตามบัตถถือว่าความนับถึงความเกิดด้วยความดับเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความตายมีศพเหมือนกันหมดนี่เป็นการใช้ปัญญาขั้นต้น วันนี้ปรมาจารยข้อดีข้อดีข้อดีสอท่านบอกว่ายาัญลาที่ความดับอย่างเดียวคือในเมื่อเราเกิดมาแล้วตัวเกิดใหม่มันไม่มีอีกมันมีแต่ตัวดับมันหมายความดับจากความเป็นเด็กขึ้นทุกความเป็นหนึ่งเนสาวนี่ก็แสดงว่ามันเดินใกล้เว ห, หาความตายการทรงตัวอยู่นานมันดับไปกันหรือการกันหรือการทรงตัวเล็กน้อย เม่อความเป็นหนึ่งสาวดับก็เข้ามาถึงวัยกลางคนเมื่อวัยกลางคนดับก็ถึงเข้าถึงวัยแก่เมื่อวัยแก่ดับก็ถึงความตายใอ้ไม่ถึงความดับอย่างเดียวค่อยๆ ค, คิดตามนี้นะแล้วก็ข้อดีสามที่ผ่านมาให้พิจารณายเมื่อร่างกายเป็นโทษคือขึ้นชื่อ ร, ร่างกายของคนแลเร์ทั้งหมดมันเต็มไปได้วยโทษ โทษเล็กน้อยที่มันใจสนองก็เราอยู่เสมอนั่นก็คือความหิวเพราะเรามีพัฒตทุกข์ได้เกิดความหิวความหิวเป็นปัจจัยแล้วเกิดความเหน็กเหนื่อยถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องทํามาหากิน <c oughs> ที่ต้องทํามาหากินอ ย, อย่างนี้เพราะความหิวเป็นเหตุได้ความหิววันหนึ่งไม่ใดียวครั้งเดียวมันหิวหลายครั้งหลายคราวถ้าไม่ได้กินก็เต็มด้วยความทุกข์ เรือความอาการที่ร่างทามหิวท่งเราเหนื่อย อ, อย่างนี้ก็ถือว่าร่างกายเป็นโทษเพราะมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวนั่นคือเห็นม่าหนึ่งอันดับนี้ร่างกายเป็นโทษต่การมีสองโทษเพระร่างกายคือมีความป่วยเข้ามาสบายเป็นปกติคนทุกคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความป่วยเข้ามาสบายประสานอยู่อาการป่วยข้ามาสบายมันแต่กายรู้ความทุกข์ไม่ใช่ความสุข แล้วก็ต้องจัดายใช้สอยเงินทอมมากมายคือนสมควรที่มีคุณเป็บางทีแล้วไม่คิดว่ามันจะป่วยมันก็ป่วยบางทีการงานต่างๆก็ต้องเสียไปเพราะอาการป่วยความเบ้าร้อนเกิดขึ้นเพราความป่วยที่ร่างกายเป็นโทษตอนมาก็ร่างกายแก่ความแก่จะเป็นโทษความค่องตัวไม่มีรู้ฝ้าตาฟางพันหักเป็นต้นมย่านี้ก็ถือว่าเป็นโทษ อรมณ์ทำว่สิ่งที่มันโทษปีอันนั้นก็คือว่าร่างกายเป็นปัจจัยเราเกิดในบายภูมิก็ได้เป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ก็ได้เป็นปัจจัยเกิดในพุทธโลกก็ได้เป็นปัจจัยเป็นวิพานก็ได้แต่ว่าร่างกายที่เป็นปัจจัยเกิดสวรรค์ในสวรรค์เป็นต้นพันเป็นของหายากเพราะอารมณ์ขอเราก็ร่างกายเป็นพื้นฐาน เราถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา <c oughs> มั่นก็หมายหมความว่าเรามีร่างกายและร่างกายเราจะไม่แก่แต่ความจริงมันต้องแก่คนทุกคนเกิดมาแล้วมันแก่ทุกวันเวลาวินาทีที่ผ่านไปความแ ก, กามาม่ก็เข้ามาถึงความตายของความตายก็เข้ามาถึงแต่เราก็ยังคิดคิดว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ ในเมื่อความแก่เกิดขึ้นความทุกร้อนใจก็เกิดขึ้ น, นวิธีการที่สองอาศัยความประ ม, มาทเป็นพื้นฐานร่างกายต้องเป่วยเป็นของธรรมดาเราคิดว่าร่างกายจะไม่เปลือย <c oughs> อย่างนีิเปต้นแล้วเมื่อไ น, นการถือตัวถือตน ถ, ถ, ถือร่างกายเป็นเราเป็นคนนี่แหละบรรดาธรรมพุทธบริษัทก็เป็นปันจจัยเกิดโทษใหญ่กับเรานั่นกี้อบายยาับรวมการรักชีวิต ความหิวเป็นต้องเหตุมีความต้องการเป็นต้นเหตุถ้าเราชีวิตเราจะส่วนได้แล้วก็ถือว่ า, วาต้องอาศัยเนื้อสัตว์อย่างอื่นมาเป็นอาหารของเราความจริงทุกอย่างนี้มันก็ผิดเพราะอะไรว่าสัตว์ทุกตัวที่เกิดมาในโลกไม่มีสัตว์ตัวไหนที่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แต่เราก็มีความเข้าใจผิดคิดว่าสัตว์ที่เกิดมาใโลกเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเรา เมื่อเราก็เาเนื้อมากินกมายุ่กี่ฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ได้แก่การทําลายชีวิตทําลายชีวิตสัตว์ตัวหนึ่งก็ถือเราบาปครั้งหนึ่งคำว่าบาปนี่แปลว่าชั่ว <c oughs> การทําลายชีวิตถ้าเขาเป็นลายชีวิตร่างเราบางร่างกายเราบ้างเราก็จะโกรธเขาถือว่าเขาทําความชั่วตอนนี้เราเมื่อเราไปทําลายชีวิตเขาแล้วเราเป็นคนดีได้ไงเราก็ต้องเป็นคนชั่ว คามชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดในอบาญภูมิหมายความว่าต้องเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสักายบ้างเป็นสติฉานบ้างเนี้อว่าใช้การทําลายชีวิตเขาถ้าเกิดมาเป็นคนเสื่อมชั่งกรรมก็ยังตามมาโทษตายมาธิบาถึงกายข้าวใส่ก็ทําให้ป่วยไข้หมดสบายบ้างทุกปัญญาทางร่างกายบ้างนี่เป็นโทษของ ถือว่าเป็นเป็นโทษอัน เ, เกิดมาจากการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตที่กาต้องการฆ่าสัตว์เพราะอะไรเพราะเนื่องจากจกาเราเพราะเราเพราะเราหลดไม่กลายเราเกินไปแต่ที่พูดว่านี่บรรดาเจ้าบริษัทถ้าหาเนื้อสัตว์ต่างๆที่บรรดาเจ้าบริษัทไปซื้อจากที่เขาทำมาแล้วโดยเราไม่ได้สั่งอย่างนี้ไม่มีโทษตามนี้นะ เกี่ยงเกี่ยง่าสิ่งที่เป็นโทษนอกจากว่ามันจะโทษจะมีความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายนอกจากนั้นก็ยังมีโทษดึงระบายรบายอยู่คเกิความทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการเกิดเป็นต้นเห ต, <c oughs> ตุเมื่อเราเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ตอนน่อไปก็ถือวัสนาญานตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่ใช่เร่วิปัสนายาน9ก้า ถือว่าเป็นตัวเรลยเพื่อนิพานพระบรรดาใจพุทธบริษัททำเพื่อนิพานก็ถือตัวเฉุยสุดท้ายขึ้นเชื่อถือว่าร่างกายนี้ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกาย ป, กประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟถ้ามาประกอบกันเป็นร่างกายขึ้นแล้วมีวิญญาณธาติเข้าขมาสิงเถือมีความรู้สึกมีจิตเข้ามาไปชนที่สามารถพูดได้ทํางานได้ แต่ที่แท้จริร่างกายเป็นเยื่อแดนที่อาศัยของจิตโจ๊กของเราในเมื่อถึงวาระร่างกายก็ตายแต่จิตไม่ยอมตายไปด้วยถ้าร่มของจิตดีมีความผ่อนใสได้กุศลเมื่อร่างกายที่ตายบายชนไปนแลว้วก็อย่างต่ำก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างบสวรรค์ถ้ามีกําลังใจบป็นชัยก็ไปเกิดเป็นปลมตาก่อนจะตายเกิดมดิยม น, นุษยสโลกเทวโลกกับมลโลก เห็นว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุทธโลกก็ดีเป็นได้ทั้งความทุกข์ไม่ใช่ความสุขจริงไม่มีความพอใจไม่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายต่อไปเราก็ไปิผ่านนี่คือการรบยอดจะรู้สึกว่าจะหนักไปหน่อยในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราในวิบัติสลายยานสี่อย่างคือหนึ่งมีความเกศในเบื้องต้นแล้วมีความดับไปอหนึ่งนะ ข้อดีสองที่นาจะนายได้ความดับอย่างเดียวของร่างกายข้อดีสาเห็นว่าเป็นโทษร่างกายเกิดปานเป็นโทษโดยข้อดีสีมันเป็นภัยข้อดีสี่นั่นกข้อทีสาเป็นภัยด้วยสี่เป็นโทษก็เลยความว่าจะเป็นทุกข์เป็นโทษได้ก็ตามเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุยิ่งต่อมาแล้วก็คิดว่าการเกิดพ้าใสยการเกิดของเราจะเป็นปัจจัยอย่างนี้ เมื่เกิดแล้วจึงดับถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ดับเรื่องเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องโทษต่างๆที่มีขึ้นกับร่างกายหรือภัยใดเกิดกับร่างกายก็อาศัยความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดเราไม่เกิดระยะไปไหนถ้าไปนรกเขาก็ถือว่าเกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นสักายก็เกิดเป็นสัตว์ใจก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาเรื่องรมทุกเรียองก็เกิด เพราะยังมีเกิดแล้วก็มีดับถ้ามีการเวียนไหวใจเกิดในวัฏฏะจุดที่เราจะไม่เกิดไม่มีกายจุดเดียวนั่นคือนิพพานนี่เราก็ต้องหันก็มาหาตัวตัดนิพพชนายานตัวที่พูดไปกี่เนี่ยหนักไปถ้าจะใช้โดยตำรอนโดยเฉพาะไม่เกาะอย่างอื่นการบรรลมรรคผลจะไม่มีหวงัง เมื่อการมรรุษ ม, ม่ผลพรบรรดาท่านพุทธวิสัยก็ต้องศึกษาสัญญาติสิอสบอันนี้สําคัญมากนะทุกคนต้องรู้จักสัญญาติสิบสัญญาติสิบที่เป็นตัวกิเลสที่ตัดด้วยความเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราจะเริญสมาธิก็มีนิพพานยายก็ดีโัวที่เราไม่รู้จักสัญญาติสิบมันมันรู้ยากเต็มที ในการบรรพุนั่าจะเป็นผ้าริ่เจ้าบนสูงแล้วต้องตัดตัวต้นไปก่อนต้องเป็นพผ้าริ่เจ้าบนต่ำก่อนถ้าเป็นไปตามลำดับอย่างนี้จะไม่ยากเราก็ถึงจุดหมายไปทางง่ายถ้าเราไม่ตัดไปตามลำดับหวังตัดหมดเลยจะม่มีหวังการตัดลำดับต้นก็คือความเป็นมรรคดาบันนี้ต้องตัดต้องน้อมจิตขมาหาการวิธีปฏิบัติทั้งทั้งความเป็นมรรคดาบันก่อน จากโสมดาบังเข้าไปเป็นขัานพระสกิทาคามีจากพระสกิทาคามีเดินก็ปหาพระอนาคามีจากพระอนาคามีเดก็มหาความเป็นพระอรหันต์ถ้าไปถ้าไปตามระดับแบบนี้แล้วก็ไปง่ายสังยอดสิทธิดองใจ ก, ก็คือหนึ่งส ก, กายติธิสงวิจิกิจจาสามสิลปตะปรามาด จากสามอย่างนี้ถ้าตัดได้เป็นอันทั้งอย่างยาเป็นปสุวดาบันถ้าอย่างละเอียดก็เป็นวัสดุธาคามีถ้าต่อไปก็ตัดอีกสองคือการมาชันท่ากับปิฎฆะถ้าตัดได้ห้าอย่างนี้เป็นพระอนนาคามีถา้าตัดให้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องตัดอีกห้าคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจจะอาวิชชาอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์ เพื่อแบบนี้หลักหมดเห็นไหมกย้อนกลับมาใหม่คือสกกย ร, ระถิฏฐิองคุลโสดาบันสัสกายระถิฐิวิจิกิจชาศิลปตตปรามาสสำหรับสกการ ะ, าระาราทิฏฐินั้นบรรดาแทนพุทโธษัตตาณาสือท่านอธิบายว่าเ ย, ยินาว่าร่างกายที่มาเฉลียวรป็นจิตของเราอเรา่ม่มีในร่างกาย ร, ร่างกายไม่มีในเราถ้าญาติยมคิดตามนี้เราจะดำพันบรรลุยาก เพราะความรู้สึกอย่างนี้เป็นความรู้สึกของพระอรหันต์ไม่ใช่ความรู้สึกของพระโสดาอันสิทธาคา ม, มีที่อนาคา ม, มีกรารศึกษาญาติทีต้องจัดเป็นสามชั้นอันดับแรกต้องดูที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีศีลมริสุดมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยแล้วมีศีลมือสุดการศึกาญาติทีตัวแรกคือพระโสดาบันสิทธาคา ม, มี ก็ใช้ปัญญานิดหน่อยคือวิปัสนาญาณมีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ต้องตาย <c oughs> มีความรู้สึกแค่นี้แนหะว่าร่างกายของเราที่เกิดมาเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยสักวันหนึ่งท่าน่ามันตายแน่ใช้แค่นี้ต่อไปได้นสมาธิของพระโสดาบันขั้งแค่วัฏุมัญชายก็พอเนี่ยเร์ไม่สูงแต่ว่ามีสิ่งบริสุทธ เวลาแต่ก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ต้องตายสองวิติกิจฉาไม่สงสัยในความดีของพระเจ้าในพระธรรมละพระอริยสงฆ์ยอมรับมาถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างแน่นอนข้อีูสามไม่ลูปคลัมศีลมีหมายความราักษาศีลอย่างเค้่งครัดศีลวโสดาบัญก็คือศีลห้าหรือกรมบทด10 หลักแรกก็ถือศีลห้าเข็นสำคัญเลยก่อนเครื่งความระเบิดโซดาใบนสกิตาคาร ม, มีคดีมีความรู้สึกเขานี้คนหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายในการนิสอนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่สงสัยในความดีของท่านในการีิสมอย่างอยาประสดาบัญญัติมีศินห้าบริสุทธ เทน่นีเองนะไม่ยากนะยากไหมผู้ชายนงินยา่าคนนี้นั่งิมอ่ะถามยากไห ม, ไมอ่ยากนะที่มานั่งหลับนั่งตาตาหับหวะเรื่องความอันดับแรกก่อนที่ท่านจะกล้าไปไหนกลับก่อนมาดูด้วยเราทรงความมรรสดาบันไดดียัง ถ้ายังไม่ได้ต้องอย่ามาโโสดาบันก็ได้ไปจนกว่าจะเข้าบรรลุที่ความมาโสดาบันแน่นอนอย่ามาโโสดาบันยังไงทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายวันนี้อาจจะตายก็ได้เราจะได้ไม่กะมาทแตชีวิตเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, ร, อริยสงฆ์เป็นที่ขึ้น ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแต่ความจริงข้อนี้ไม่หนักธรรมดาทัางพุทธบริษัทว่าทุกคนมีอยู่แล้วต่อไปที่ต้องทำก็คือหนึ่งสีสินห้าบริสุทธิ์ต้องมั่นระวังในสินห้าเพียงเท่านี้ถ้าสินนีการทสงตัวจริงๆริงขึ้นเชื่อว่าการตั้งใจทําลายสินไม่มีสินไม่ได้ขาดโดยสายการตั้งใจทําลายเดินไปถ้าไม่รู้เหยียบนดเหยียบโลกตาย เมื่อโยนของไปโดยไม่เห็นถูกของมันก็ถูกสัตว์ตายอย่างนี้ไม่บากสินไมไ่ขาดเมื่อของเขาวางไว้ถ้าเข้าใจเราของไม่มีเจ้าของคือว่าต้องอยู่ที่เปลี่ยวจริงๆคิดว่าในสถ า, านนี้ไม่มีคนของก็หล่นอยู่เราถือเอามาถ้าเราเอายาของอยังติดตามอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าบาปแต่ยาของมาทวนถามว่าคือในเขาสิงนั้นไม่ขาดเราความว่าถ้าทรงสินหบริสุทธิ์ ได้ไม่สงสัยในพระไตรรนาคคนได้ไม่ลืมความตายเป็นวสดาบัญญัติยาดต่อไปเป็นโสดาบันขั้นละเอียดก็ชงกำหนดท10จิตมีกำลังสวนขึ้นมเมื่อจะฉินห้าเรามีกำหบดเข้ามาช่วยกำหนดสท10ก็คล้ายคืองฉินห้าคืนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์2ไม่รักทรัพย์สามไม่พุทธแสดงกรรมีทางกายนะ ทางกายมีสามไม่ฆ่าฉัดไม่รักทรัพย์ไม่พูผิดทางการทางวายใมีสี่ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่สอเสียเขาแตกเล้ากันไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลย้ำข้างนึ่งนะวายใจมีสี่คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่สอเสียเขาแตกเล้ากันไม่เพ้อเจ้อเหลวไหล เมื่อมาถึงทานใจสิ่นไม่ไดีขุณใจกำบศิษฐ์คุณใ จ, ณใจทานใจก็มีสามครืนหนึ่งไม่อยากได้ทรัพย์ ส, บสมบัติของพวอคนอื่นใดมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมก็ดีสองความเกลดยังมีอยู่แต่ไมจ่จองร้างจองผายไข่ไม่พยาบาทข้อที่สามสามาติธียอมรับนัถือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยประทาแท้ อย่างนี้ถือว่าเป็นระโสดาบัญข้าละเอียดต่อไปถ้ากำหนดสิบละเอียดมากทรงตัวดีไม่มีการลืมไม่เผลอในกำหนดสิบก็ถือว่าเป็นพระสุกิตาคารีแต่ว่าเรื่องมโสดาบันบรรดาท่านพุทบริษัทจึงทราบว่าระโสดาบัญก็ยังคล้ายคลึกับมนุษย์ษธรรมดาเพื่อนึงังมีความรักในระหว่างเพศก็อีสองจะมีความอยากลรวย ข้อทีสามเนี 3, มีความโกรธข้อที่สี่ก็ยัมีความหลงหมือนก็บรรดาทุกคนในโลกมีแต่ทว่ามีขอบเขตจํากัดข้อโ ส, สดาบันจะรักก็ดีจะโกรธก็ดีจะรวยกว็าตามจะหลงก็าตามมือนั้นะขอบเขตทุ่มสินห้าทีกหนดสิทธิือถ้าความรักเกิดขึ้ น, นก็ไม่ได้มอบสินห้า ความอยากเกิดเกิดขึ้นจะไม่โกงใครขึ้นไม่ละเมิดสิทธห้ามโดยจะสำมาชีวะความเกิดเกิดขึ้นยังแหลแต่ว่าไม่ฆ่าใครให้ตายไม่ได้สัตว์แล้ก็ไม่ฆ่าให้ตายยังมีความโรกรธกันแต่ยับยั้งไม่ฆ่าให้ตายความหลวมยังมีอยู่นั่คือหมายความการแต่งตัวสวยๆยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่ลืมความตายที่เรียนควาแล้วเราโสดาบันก็ดีพระสิภิธาคามีก็ดีก็ยังแต่งงานเหมือนชาว บ, บ้านธรรมดา คนที่เป็นโสดาบันแล้วก็แต่งงานได้คนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ต้องเลิกกันยังอยู่ด้วยกันตามปกติแต่ว่ายัางอยู่ในขอบเขตของสิ่ท่นั้นพอเขาจะเข้าขั้นเก้าไปถึงพระอันสกิธาคามีเขาพูดรวบไปเลยนะพอสกิทาคาเข้าถึงตอนนี้พระสกิธาคามีจะรู้ว่าเป็นสกิธาคามีเมื่อไรก็ต้องสังเกตกิเลสสารในกายคือโลภ โลภะความโลภโทสะความเกิดโมหะความหลงอารมณ์ตัดแสงยอดใดสามเท่ากันทั้งรัศกิตาคามี้เนี่ยรลรเลยอีกว่าคือความโลภจริงๆกันอยาได้ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเนี่ยไม่มีเลยในจิตใจแต่ความต้องการความรำล้นร้อนเมยังมีอยู่อยากแก่เลยแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินของคนอื่นไม่มีในเราใจมันเบากันมากเากวโสดาบัน แล้วก็ความเกิดความเ ก, กิดวั่นสือธีทาคามีมีมีมั่นกันไม่ใช่ไม่มีแต่ามีกำลังเบามากมีความรู้สึกเล็กนะ้อยแล้วก็สลายตัวไปยังไม่ถึงแล้วเลยเกิดยังมีความเกิดจะ่มีอารมณ์เบามีความรู้สึกเกิดเดียวเดี๋มันสลายตัวไปขึ้นที่ว่าความหลงและทัศธ์สาคามีก็ยังมีอยู่ แต่ถ้าว่าถ้าไม่ศึกษาให้ละเอียดนะคนที่เป็นสกิทาคารมีเมื่องปลายเกือบจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพผ้านาคาร ม, มีอย่างนี้ก็มีเผอยึันเยอะเหมือนกัน <c oughs> บางทีก้าวเข้าสู่ความเป็นผ้สฐฐาสิกิทาคารมีตอนไปมีความเข้าใจตัวเองว่าเป็นพผ้านาคาร ม, มีอย่างนี้ก็มีแต่ว่าสำหรับผ้าทริยักกันเผยไม่นานเพราะการตัดจานที่ลงเข้าจิตซะแล้ว กาเพราะอะไรเพราะว่าในการมมฉันทะความรู้สึกในระหว่างเพื่อวสดุกิทาคามีว่าเมื่อปลายจะไม่เกิดยอดเล่นชนง่ายกันจะไม่มีความรู้สึกอาทะบนหน้ากันนะไม่มีความรู้สึกความก็ไม่มีความรู้สึกความนั้เกิดขึ้นระหว่างเพศ่อแต่ถ้าเราเยาราอุทยัตบางครั้งบางคราวเดือนมันจะมีทั้งครั้งสองครั้งจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นในระหว่างเพศ่อแล้วมันสลายตัวไป แม้จะพันแรงว่าตัวเองยัไม่สามารถตัดการมฉันท่าได้ขาดยังมีอรมอยู่ยังจัดโดยพระสกิทาคามีวงปลายอรบันดาญาโยมพุทธบริษัทมพูดมาก็มาจำได้ไม่ได้วาสับฉันเองก็จำไม่ได้แต่ว่าเหลือเวลาสองนาทีก็ขอย้ำไอ้ส่วนที่ต้องต้องพึงจำให้ได้นะก็หนึ่งสักการยะติทิย่าลืมความตาย สองดิจิกิจฉาอย่าสงสัยนะพระเจ้าในธรรมและพระอริยสงยอมบัณฑิตด้วยความจริงใจไม่วเราสามมีสิ่งห้าเบิกสดเพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธบริษัทท่านจะเป็นเบสดาบันหรือไม่ก็ตามขึ้นชื่วบาปอโศกต่างๆที่ทํามาแล้วทั้งหมดจะไม่สามารถดึงทุกท่านลงไปยากุลได้เลยหมายความว่บาบาปทั้งหมที่ผ่านมานำหมดวิ เราจะเกิดได้อย่างต่ำก็เป็นเทวดาลง ม, มาเป็นคนก็แค่คนไน่ยอมมาบายภูมิถ้ามีทางดียวก้าวกระหางพระนิพพ า, านถนน้งมันอรบนันดาท่านปุถุวสัจตุ่านเวลานี้ก็สมควรแล้วตอนนี้ไปพุทธาท่านพุถุวสัจทุกคนตั้งใจสม า, า, สสม า, ามทานฉิมสมาทานเนกรรมฐาน